ตอนนี้ไปพึงหากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีทุกคนที่มาอยู่ในวัดวาอารามนี้ความมุ่งหมายก็เพื่อที่จะมาฝึกตนให้เป็นคนดีไอ้ความดีเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เพียงขั้นเดียว มันมีหลายขั้นตอนผู้มีวาสนาบารมีแก่กล้ามันก็ไม่หยุดอยู่เพียงแค่ขั้นเดียวตอนเดียวอย่างเช่นว่าผู้ยินดีในการบริจาคทานมาแล้วเป็นเดิมพันอย่างนี้นะ ก็ใจย่ำตอกอยู่แต่การบริจาคทานแล้วไม่คิดรักษาสินคือละความชั่วทางกายวาจาให้หมดไปสิ้นไปอย่างนี้มันก็มีแต่ความเศร้าหมองทานที่ให้นั่นก็ดีเมื่อเป็นผู้ทําบาปอยู่อย่างนี้นะแล้วไปทําบุญให้ทานอย่างนี้ จิตใจมันเศร้าหมองอยู่ด้วยบาปอันนี้สงแหงทานอันนั้นมันก็มัวหมองไปตามกันมันไม่สะอาดของใสเพราะฉะนั้นลำพังจะให้ทานอย่างเดียวมันจึงพ้นทุกข์ไปไม่ได้นี่แหละจึงว่าการทำความดีเนี่ยมันมีขั้นตอนขึ้นไปอย่างนี้อ่าผู้รักษาศีลห้าได้แล้ว อย่างนี้ก็จะไปนิ่งนอนใจอยู่แต่เพียงแค่สินห้าเท่านั้นมันก็ยังบรรเทากิเลสที่สูงขึ้นไปกว่านั้นไม่ได้เพราะว่าสินห้านี่มันก็เป็นข้อบรญญัติบางข้อก็ยังบรญญัตย่อนยานไปตามนิสัยของคน ถ้าหากว่าได้รักษาศินแปดหรือศินอโวสถเข้าไปเช่นนี้ความประพฤติมันก็สูงขึ้นไปกว่าสินห้านั้นอีกเรียกว่าประพฤติพรมจรรย์ก็ว่าได้การรักษาศินแปดหรือสินอโสวสถเพราะว่าทําทําตัวเป็นคนผู้เดียวส่วนสินห้านั้นยังมีคู่ได้อยู่อย่างนี้นะ ยังเพลิดเพลินในกรารมคุณได้อยู่เมื่อก้าวขึ้นมาสู่รักษาทิโอมโศตและอย่างนี้จะไปเพลิดเพลินอย่างนั้นไม่ได้ต้องทำทั้งคนผู้เดียวสํำรวมตาหูจมูกลิน้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลารูปมากระทบในตาเป็นต้น แล้วก็เป็นผู้สัมรวมอยู่ในสี่ขาบทที่ตอนสมาทานแล้วอย่างมั่นคงด้วยทีนี้มันก็ทําให้จิตใจสูงขึ้นไปอีกอย่างนี้แหละผู้ที่ไม่ผูกพันในกรรมคุณอะไรอย่างนี้ย่อมมีจิตใจสูงขึ้นคือจิตใจเป็นกลางนี่แหละไม่ ไม่เอียงไปข้างรักข้างชังอกามคุณ น, นี่มันไม่ใช่ว่าจะรักอย่างเดียวนะรักไปรักมาเดียวก็เกิดบัตาแปรปวนไปแล้วก็เกิดความชังขึ้นมาแทนเป็นอย่างงี้มันไม่แน่นอนเลยอืส่วนผู้ที่ไม่ผูกพันในกามคุณ อันนี้มันทำใจเป็นกลางอยู่ได้นี่นับว่าเป็นผู้ที่มีจิตเป็นปกติสม่ำเสมออยู่ได้นานเป็นอย่างนั้นว่ามันเลื่อนขั้นขึ้นไปสูงขึ้นไปอ้าวสินของสามันเนนผู้บวชนุ่งเหลืองห่มหลวงอายุยังไม่ครบ2ี่สิบ อริบุ์ก็บวชเป็นสามนเณรเรื่อนจากสินห้าสินแปดขึ้นมารักษาสินสิบเช่นนี้คุณธรรมเหล่านี้มันก็สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งสามนเณรแล้วอย่างนี้จะไปจับเงินจับทองใช้จ่ายเงินทองด้วยตนเองเหมือนอย่างผู้รักษาสินแปด อย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าสินสิบนี่ท่านห้ามไม่รับเงินรับทองอันเป็นของไม่ควรแก่สมณะอย่างนั้นเหตุดังนั้นน่ะผู้เป็นสามเณรก็ต้องระมัดระวังอย่าไปล่วงเกินสิกขาบทที่ตนสมทานแล้วต้องสละชีวิตเพื่อสินโดยตรง อย่าไปอ้างอุปสรรคอย่างนน้น อ, อย่างนี้เป็นอย่างจะเที่ยวไปในที่ต่างๆด้วยงานภาชนะไม่มีใครจะถือเงินถือทองไปให้อย่างนี้ก็เลยถือเอาตนเองอันนี้แสดงว่ามันไม่เรียนรู้ระเบียบของสงทางคณะสง์ตกลงกันยังไงก็ไม่รู้ทางคณะสง์ได้ตกลงกันแล้วว่า เซ็คธนาคารหรือว่าตั๋วแลกเงินไปสนียาบัตรโมนี่นะเราเอาเอาให้โยงเขาเอาเงินไปขึ้นเอาตัว๋วตัวเอาไปเอาเซ็คธนาคารหรือตั๋วแลกเงินไปสีอย่างนี้ทางคณะสงฆ์เห็นว่าถือไปได้ไม่เป็นอาบัติไม่เป็นโทษอหนึ่งนี้ อันเมื่อเขาเรียกเอาค่ารถค่าลาก็เอาเซ็กเอาตั๋วแรกเงินนั้นยื่นให้เขาเขาเมื่อเขารู้แล้วอย่างนี้เขาก็เอาหรอกเขเอาแล้วเขาก็ไปขึ้นเอาเงินตามธนาคารที่ระ บ, บุไว้ในเซ็กนั้นแไปขึ้นเอาเงินตามไปษสีออต่างๆ อย่างนี้เราต้องเรียนรู้แม้เป็นพระเป็นเจ้าก็เหมือนกันอันศิกขาบทวิในน้อยใหญ่นั่นแะเราต้องดูต้องดูตำลับตำราให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่าไปนิ่งอยู่เฉยอย่าไปดูได้ผู้บวชเข้ามายังไม่เท่าไรนะนึกว่าตนรู้แล้วก็เฉยเบืเสีย อ, อย่างนี้ไม่ถูกเพราะความรู้ความจำเหล่านี้มันเลื่อนลอยได้มัน มันลบเรือนไปได้อย่าว่าแต่ผู้บวชเข้ามา 4, 5, สาี่ห้าพรรษาแม่บวชมาตั้งสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบพรรษาถ้าไม่เกิดไม่สนใจขึ้นไปหน่อยก็ลืมมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่ามันจะจำไปได้ตลอดทุกสิกขาบทเมื่อไรอะถ้าได้มันทบทวนอยู่บ่อยๆมันก็ไม่ลืมแล้ววะนี้นะเมื่อนไม่ลืม เราอยู่ไปทำอะไรไปพูดแล้วไปถ้ามันจะผิดต่อวินยัยมันก็รู้วั น, นี้นะนี่ก็รู้แล้วมันก็ไม่ทำไม่พูดไปในทางที่มันผิดวินัยนั้นเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าสติวินยัยสติเป็นวินยัยอะถ้าหากระลึกไม่ได้แล้วเนี่ยมันก็ร่วงวินัยได้เลยคนเรา เหตุที่มันล่วงไม่ได้ก็เพราะมันระลึกได้เวลาก่อนจะทำอะไรก่อนจะพูดอะไรอย่างนี้นะบางเรื่องที่สาคัญเนี่ยมันก็ต้องถึงเทียบกับวินัยซสีก่อนถ้าร้วมไม่ขัดต่อวินัยแล้วก็จึงค่อยทำค่อยพูดไปอย่างนี้นี่จึงชื่อว่าเป็นผู้มีสติเป็นวินยัยอยู่เสมอไป ให้พากันเข้าใจการปฏิบัติปฏิโมกขัสังวรทังรวมในพระปฏิโมกเราจะต้องมีสติะระลึกให้ได้เสมอเมื่อเราตั้งใจเคารพต่อวินัยอยู่นี่แล้วการบาเพ็ญสมถะวิปัสสนามันก็ย่อมเป็นไปได้ ไม่เหลือวิสัยแน่นอนทีเดียวผู้ที่เป็นไปไม่ได้นะั่นเนื่องจากไม่เคารพต่อวินยัยต่อระเบียบมักจะชอบล่วงอยู่บ่อยๆอย่างนี้นะแล้วมัญจะเจริญไปได้ยังไงอะ่ะกิเลสมันก็ไม่แห้งเพราะพระวินัยนะั้นพระองค์เจ้าทรงบัญญัตินั่นเพื่อบันเทาเสียซึ่งลาราคา บรรเทาเสียซึ่งโทสะบรรเทาเสียซึ่งโมหะนี่ไม่ใช่บรญญัติห้ามไม่ให้ทำไมให้พูดเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่ออะไรนะเพื่อบรรเทากิเลสสามกองนี้เองเอเราเรียนวินยัยดูวินยัยต้องต้องกำหนดรู้สิต้องสนิฐานน่ะอ๋อสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ บัญญัติเพื่อป้องกันราคะอย่างนี้ก็รู้ผู้เรียนทำไมจะไม่รู้อ น, นี้โอสิขาบทนี้ทรงบัญญัติเพื่อป้องกันโทสะการเบียดเบียนประสุสรา้ายซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็รู้อ่านไปดูไปท่องไปนะมันเป็นยงั้นโอสิขาบทที่บัญญัติป้องกันโมหะความหลงความเห็นผิดต่างๆ มูลนี้มีอยู่มากมายเลยเช่นอย่างว่าห้ามพิกษุสมามเณรไม่ให้เรียนตริรัรชานวิชาห้ามไม่ให้เรียนด้วยห้ามไม่ให้สอนด้วยอนี้นะแต่ว่าพระบางพว ก, ออกบางเหล่าก็ยังเรียนก็ยังสอนกันอยู่นั่นแหละแต่พวกเท เคารพต่อพระวินัยจริงจังลงไปแล้วเราไม่ต้องเกี่ยวแม้จะมีลาบสการะเพราะการเรียนการสอนติริฐานวิชาอันนั้นหรือการที่ทําวิธีต่างๆตามระเบียบของติระฐานวิชาโมนั้นจะได้เงินได้ทองมาก็จะ่าไปหวังมันเลยอย่าไปหวังเอาเงินเอาทองไอโมนั้น เ, เราเป็นนักบวชนี่ อย่าไปมุ่งหวังเงินทองเข้าของไม่ว่ากรณีใดๆให้มันเกิดมาเองเมื่อเมื่อมันเกิดเองมีผู้ศรัทธาถวายอย่างนี้เราก็มีวัยาบัจกรผู้รับผู้จำนายใช้จ่ายเงินทองนั้นแทนแล้วเราก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับเงินทองที่เขามาถวายนั้น ก็ต้องทำใจมันได้อย่างนี้นะมันจึงไม่เกิดโทษนะการเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองนี่แหละถ้าคนไม่รู้จักสว่งพระบางองค์ก็เมื่อเขาเก็บเงินไว้เพื่อตนก็ไปยินดีอยู่กับเงินทองอันจํานวนนั้นที่เขาเก็บไว้เพื่อตนอย่างนี้นี่มันก็เป็นโทษนะในสิกขาบทข้อที่ ข้อที่เก้าข้อที่แปดแห่งนิสกิยวะอ่านิสกิยะพิกษุรับเองก็ดีใช้ผู้อื่นรักก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีด้วยเงินและทองที่เขาเก็บไว้เพื่อตนต้องนิสกิยะปาจิตติเนี่ยพระองค์ทรงบัญญัติครอบไว้หมดเลยนั่นแหละ แราต้องให้เข้าใจสิกขาบทนี่นะดังนั้นถึงแม้ว่าใครรับไว้แทนก็อย่าไปอินดีพอใจในเงินทองเหล่านั้นยินดีในบริขารของสมณนนะอันจะพึ่งบริโภคนั่นแทนเงินทองอย่างนั้นแต่บริขารก็ไม่ต้องอินดียินได้อย่าว่าแต่งเงินทองเลยผ้าหนุ่งผ้าห่มอะไร เราก็าทำความรู้เท่าจะไปยินดียินราอยู่กับผ้านุ่งผ้าหม่มอย่างนั้นมันก็เป็นกิเลสอีกแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องให้เข้าใจอยนั้นทำกับวิในมันยังได้ชื่อว่ามันเนื่องกันนั่นแหละคันเมื่อจิตไม่เป็นธรรมไม่เป็นกลางแล้วอย่างนี้วิในก็รักษาไม่ได้ ถ้าจิตมันเอียงไปตามอำนาจของกิเลสแล้ววิในก็รักษาไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเหตุดังนั้นเราต้องรู้ทั้งสองอย่างนะเอในขณะนี้จิตใจของเราเป็นธรรมนี่ก็รู้อันว่าจิตใจเป็นธรรมนี่หมายความว่ามันละอายต่อบาปกลัวต่อความชั่วแหล่านะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ เนี่ความรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้ก็เรียกว่าความรู้ที่เป็นธรรมอคนที่ไม่มีความละอายไม่มีความกลัวต่อบาปต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์อย่างนั้นเนะ่ยมันก็ร่วรรมทำร่วงวินัยไปได้มันก็ไม่รักษาไม่สารวมในวินัยแล้วเพราะมันไม่กลัวนี่ออจะเป็นบาปเป็นทุกขกับเป็นไปอย่างนี้นะ อันนี้แสดงว่าการที่ปฏิบัติตามพระวินัยมันก็ต้องมีฮิริโอตปรธรรมประกอบด้วยอย่างนั้นต้องตั้งความละอายในอันที่จะทำความชั่วหรือจะรู้จักขาบทวิธิในน้อยใหญ่ไว้ในใจเสมอเมื่อมีความละอายใจอยู่นั้น มันก็ไม่กล้าล่วงวินัยทั้งในที่รับทั้งในที่แจ้งเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจดังนั้นการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่เพระพุทธเจ้ายังได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายเรียนรู้ทั้งส่วนที่เป็นธรรมทั้งส่วนที่เป็นวินยัยเราะว่ถ้อยที่้อยก็สนับสนุนซึ่งกันและกัน วินายก็สนับสนุนธรรมะธรรมะก็สนับสนุนวินายอย่างนี้แหละวินยสนับสนุนธรรมะอย่างไรก็เช่นอย่างว่าเมื่อความโกรธมันเกินขึ้นอย่างรุนแรงไอนี้นะอ่ามันจะทำร้ายผู้อื่นอย่างนี้อมันนึกถึงจะขาทแล้วอย่างนี้อ้าวไม่ได้ถ้าทำลงไปอย่างนี้ก็สินขาด มีโทษมันเลึกได้มันก็ยับยั้งใจได้ใจก็สงบจากความโกรธนั้นลงไปโดยลำดับไปเมื่อความโกรธมันระ ง, งับไปแล้วจิตใจมันก็มีเมตตากรุณาขึ้นมาก็เลยไม่ผูกอาฆาตจองเวรกับบุคคลที่ตนเกลียดชังนั่นวะ น, นี้นะเมื่อเมตตาทำกรุณาทำเกิดขึ้นในใจแล้วเนี่ยอย่างนี้แหละ วิในสนับสนุนธรรมะธรรมะสนับสนุนวิในมันก็คงกันข้ามนั่นเองเนี่ยเมื่อคิดว่าจะร่วงสิคขาบทวิในก็เกิดความละอายแก่จใจเกิดความกลัวความชั่วนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ขึ้นมาเช่นนี้ก็ไม่กล้าร่วงสิคขาบทวิในน้อยใหญ่ทั้งหลายลองคิดดูสิ เหตุดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าทำวิในทำวิในามาเอเกือบทุกสูตรเลยที่ทรงแสดงมาสันนิษฐานดูภายหลังจึงว่าเหตุที่ทรงแสดงควบคู่กันไปอย่างนั้นก็เนื่องมาแต่ว่าทำสองอย่างนี้ต่างทอยทียท่ทอดสนับสนุมซึ่งกันและกันถ้าทิ้งเสียอันหนึ่งยังเหลืออยู่อันหนึ่งอนี้ไปไม่รอด แล้ว่าทิ้งธรรมะเสียเอาสวินายอย่างนี้ก็ไปไม่รอดหรือทิงงอ้งวินัยเสียแล้วเอาแต่ธรรมะอันนี้ก็ไปไม่รอดอีกอันนี้ข้อ น, นี้นะเอาไปคิดไปกรองให้ดีให้รู้ด้วยตนเองมันเป็นอย่างนี้แหละอันชีวิตของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้นะเนื่องจากว่ามันมีกิเลส จิตใจนี่มันสร้างกิเลสขึ้นมาตั้งแต่เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่โน้นนึเป็นสัตว์เดรัจฉานมันก็มีโลคมีโกรธมีหลงอยู่มันก็แสดงกิเลสล่านี้ออกมาอยู่แล้วก็เห็นกันอยู่ทางม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่อะไรหมดนั่นน่ะมันแสดงให้เห็นได้ชัดๆเลยนั่นแหละชัดเรานั้นแหละ เมื่อท่องเที่ยวเกิดตายเกิดตายนานนานไปนานไปอินทรีย์มันแก่กล้าขึ้นไปมันอยู่ใกล้มนุษย์ยินดีกับมนุษย์เข้าไปอินทรีย์มันแก่กล้าเขาองค์ก็ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้แต่มันก็ต้องอาศัยเวลานานนะไม่ใช่ว่าเวลานิดหน่อยก็เกิดเป็นคนได้ไม่ใช่อันนี้มีนิทมนิทาน เล่ากันเกี่ยวข้องกันมาเยอะแยะเลยในธรรมบทในมงคลทิปานีวันี้บางทีคนก็ไปเกิดกับสัตว์บางทีสัตว์ก็มาเกิดกับคนอย่างงี้นะมันมีผลเปลีกันอยู่งี้แหละเพราะฉะนั้นทุกคนต้องให้รู้อ่ะจิตใจของตนมันยังไงอ่ะมันจะไปเกิดกับสัตว์ได้อยู่หรือไง เอก็เราต้องดูจิตใจของใครของเราหนะ่ะจิตใจอย่างไรที่มันไปเกิดกับสัตว์นะ่จิตใจที่มันปราศจากหิริโอตตปะธรรมมันไม่ละอายแก่ใจในอันกระทําความชั่วดังกล่าวมาแล้วนั่นแหละไม่กลัวต่อความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์นี่เมื่อมันขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้ว อันสิ่งที่มีควรทํามันก็ทําสิ่งนี้ที่มีควรพูดก็พูดไปแหละแบบนี้นะนั่นเหมือนอย่างสัตว์สิ่งใดใดฉานนั่นแหละอืมอย่างเช่นว่างูมีพิษอย่างนี้นะเอา้าถ้าว่าใครไปเตาะแตะต้องตัวมันเข้าขงนี่มันจะไม่ให้ใหอภัยเลยแว้งมากัดเอาจนได้อืมันนึกไม่ได้เลยว่ามนุษย์นั่นะ่ะ เป็นศัตรูกับเราหรือไม่หนอหรืออะไรพวกนี้มันมันนึกไม่ได้คเน้ใสมันดุร้ายแล้วมันก็ใครก็ตามแหละเข้าไปถึงตัวมันไปแตะต้องมันแล้วมันกัดทั้งนั้นเลยออืมจิตใจของคนที่ขาดคุณธรรมต่งางๆดังกล่าวมานันมันก็คงจะไม่แตกต่างจากสัตว์สัตว์ดีรฉานเท่าไหร่นะัอย่างนี้แหละนี่มูลเหตุที่มันจะได้ไปเกิดกับสัตว์ดีรชาญนนะ่ะ พอปล่อยจิตใจเขาตนให้ตกต่ำลงไปไม่ยกจิตใจเขาทนให้สูงขึ้นต่อคุณธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนี่มันอาจไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้แต่ว่าที่มันไปเกิดกับสัตว์ได้นั่ะเนื่องจากว่าไม่ได้ทำบาปร้ายแรงตั้งหากนะจึงไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เท่านั้น แต่ถ้าทำบาปร้ายแรงเข้าไปแล้ววันนี้มันจะไม่ไปเกิดได้เลยสดิริชานก็ดีลงนรก น, นู่นนะมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนนะเราได้เกิดมาพบพระพุทธศา ส, สนาแล้วพยายามยกจิตยกใจของตนให้พ้นจากนารกอภายภูมิให้ได้เพราะว่าทางไปสู่นรกคือการกระทำรมชั่วห้าอย่าง นั้นหรือว่าก ร, รมชั่วอื่นๆที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติห้ามตามเพศตามภูมิของบุคคลดังที่ว่ามาแล้วนั่นแหละคงจะรู้กันนะผู้ใดเป็นอยู่ในเพศใดก็มีศีลประเภทนั้น อ, อยู่ในต้นอย่างนี้น ะ, ะนี่นเมื่อสำรวมในศีลให้เข้มงวดกวดขันอยู่เสมอ ไม่ให้ด่างไม่เพราะไม่ให้ขาดหรือว่าถ้าเผลอไปจริงจริงมันขาดไปอย่างเช่นระหุอาบัตอาบัตเบ้าเมื่อรู้ตัวว่าตนได้เผลอล่วงอาบัตสิขบทพ่อได้ก็รีบไปแสดงต่อหมู่เพื่อนองค์ใดองค์หนึ่งที่คุ้นเคยกันออย่างนี้แล้วโทษได้มันก็หมดไป อย่างัเพราะว่ามันเป็นโทษขนาดเบามันไม่นักเมื่อไปประจานตนให้เพื่อนรู้เสียว่าผมได้ทำผิดอย่างนั้นอย่างนั้นผมขอแสดงต่อท่านและต่อนี้ไปผมจะสํารวมระวังไม่ร่วงละเมิดอีกท่านผู้รับท่านก็ ตักเตือนว่าตอนนี้ไปท่านก็จงสำรวมระวังอย่าร่วงเกินอีกต่อไปอืมอย่างนี้แหละเพียงเท่านี้โทษนั้นมันก็หมดไปอืมแต่ถ้าว่าไปร่วงอาบัต ท, ทั้งที่รู้รู้อยู่อย่างนี้นี่เข้าใจว่าไม่พ้นนะจะไปแสดงอาบัตกี่ครั้งก็คงไม่พ้นแน่ พราะว่ารู้อยู่แล้วไปขืนล่วงนี่นะมันจะไปพ้นได้ยังไงพ้นไม่ได้เนขอให้พากันเข้าใจไว้ที่มันจะพ้นได้ก็เพราะเหตุว่าบางทีมันพลั้งเผลอไปแล้วก็มันมันลืมตัวไปอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วล่วงทิศคำบอดโดยไม่รู้ตัวะเผื่อว่ารู้ตัวเข้าม า, านี่โอ้นี่ได้ล่วงอาบาัตไปซะแล้ว ออย่างนี้นะไปแสดงตออาบัตตอพิกษุกรูปใดรูปหนึ่งอะมันถึงจะพ้นได้ให้เข้าใจแม้ผู้ที่รักษาศีลต่ำลงไปกลัวนี่ผู้ครองเรือนทั้งหลายก็เหมือนกันนะมหาว่าผู้ใดตั้งใจรักษาศีลประเภทใดแล้วก็ตั้งใจรักษาจริงๆมีสติสัตเชนยะ ทำรวมให้แน่วแน่จริงจริงถ้าเผือว่ามันลืมตัวมันเผลอัยอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปล่วงศินพ่อใดข้อหนึ่งให้ขาดไปเสียอย่างนี้พอรู้ตัวแล้วเราก็รีบมาขอธสมทานสินกับพระสงฆ์องค์เจ้าเสียอย่างนี้ถ้าหากว่าได้อยู่ใกล้พระสงฆ์ พระเจ้าพระสงฆ์นะถ้าหากว่าอยู่ไกลพระสงฆ์อย่างนี้เราก็จุดธูปเทียนบูชาพระรัตน์ไกลแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นเอาอธิษฐานใจละเว้นแล้วอธิษฐานใจสัมปานสิกขาบทอันที่ทนล่วงไปนั้นเอาใหม่เนื้ออธิษฐานใจว่าตอนนี้ไปพาพเจ้าจะสัมรวมระวัง ไม่ให้ขาดไม่ให้ดังร้อยต่อไปไอ้เช่นนี้แล้วมันก็เป็นอันว่าหมดโทษอันนั้นก็หมดไปเนี่ยเป็นอย่างนี้ให้พากันเข้าใจเมื่อตนล่วงแล้วเมื่อไปแล้วไปเฉยเมยไม่รับรู้ความผิดที่ตนล่วงอย่างนั้นทําหลงหลงลืมลืมไปเสียอย่างนี้มันก็ โทษอันนั้นมันก็ติดตามตัวไปอยู่นั่นแหละมันไม่หายอมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะให้พึ่งพากันเข้าใจในประเภทศีล น, นี่ฮะมันละเอียดละอ้อเข้าไปเช่นนี้การรักษาศีลมันก็ถึงจะบริสุทธิ์ได้เมื่อมีศีลบริสุทธิ์แล้วอย่างนี้เราอยู่ ไปไม่ว่ากลางวันกลางคืนมันก็มีจิตใจเชื่อมชื่นเบิกบานไม่เศร้าหมองไม่ขุนมัวไม่น้อยเนื้อทำใจอะไรอย่างนี้แหละแล้วก็รู้ด้วยตนเองแหละข้อนีนะ้นี่เป็นอานิสงส์ศีลที่เรารักษาที่จะเพิ่งได้รับในปัจจุบัน ย่อมปรากฏในจิตใจในปัจจุบันนี้แหละความจริงนะเราทำความดีอะไรทำข้อวัดปฏิบัติอะไรในพุทธศาสนานี่เราก็มุ่งหวังว่าให้ได้ผลในปัจจุบันนี้แหละให้ได้ผลในปัจจุบันไอ้ถ้ายางผู้คล้องเลื่อนก็ดีผู้็นนักบวชก็ดีมันก็แถวเดียวแนวเดียวกันถ้า พูดถึงคุณธรรมอันละเอียดละออเข้าไปเราวทำความดีทุกอย่างก็มุ่งหวังที่จะให้จิตใจนันสบายมุ่งหวังว่าจะให้กิเลสตัณหาที่มักดองอยู่ในจิตใจนั้นมันลดน้อยถอยเบาวางลงไปนี่มันก็ต้องมุ่งหวังผลอย่างนี้ในการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า ในพุทธศาสตรสนานี้นะต้องให้เข้าใจจะไปหวังมุ่งมุ่งหวังผลอันเป็นรูปธรรมอย่างเดียวอย่างนี้นะ่ะมันมันไม่ถูกต้องดีถ้าไปมุ่งหวังผลในรูปธรรมอย่างเดียวหากว่าทำความดีไปมันไม่เกิดผลเช่นนั้นขึ้นให้ตามประสงค์ มันก็เลยถอยศรัทธาเลยความเชื่อความเริ่มใสก็ลดน้อยบ่อยถอยเบาบางลงไปเพราะว่าการปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เห็นว่าได้ผลดีอะไรไม่เห็นร่าเห็นรวยอะไรอย่างนี้นะ <S <S <S <S นั่นนะเรียว่าเป็นความเข้าใจผิดไปไอความจริงนะผลแห่งความดีที่บุคคลทำในปัจจุบันนี้ ไอ้ส่วนที่เป็นลูกปธรรมมันก็มีอยู่เจะยกตัวอย่างให้ฟังแทนที่ว่าเราจะจ่ายเงินก้นนั้นไปซื้อของเสร็จติดมาบริโภคมารับประทานกันอย่างนี้เราไม่ซื้อทั้งแล้วเพราะเราไม่เราละงดงดเป็นของมึนเมาทุกอย่างแล้วเงินนั้นมันก็เหลืออยู่สิกว่านี้นะออแล้วก็หมุนไปหาซื้อหาใน สิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่ตนและครอบครัวเข้าไปอย่างนี้นะมันมันก็ไม่เดือดร้อนในครอบครัวเมื่อเว้นจากการดื่มของมืนเมาทุกชนิดได้เสแล้วหรือถ้าเว้นจากความเป็นนักเลงเที่ยชู้ต่างๆพวกนี้ได้ยินดีอยู่แต่ในคู่ครองสองประการของตนอย่างนี้นี่ก็ประหยัดเงินได้อีก อย่างนี้เราจะไม่ให้มันเห็นผลปัจจุบันยังไงเ่ามันก็เห็นอยู่วันนี้แหละแต่คนไม่คิดเฉยๆเนี่ยหรือทําไปงดเว้นเล่นการพนันอย่างนี้นะมหาเงินนะทองได้โดยลําแข้งมาแล้วอก็หมุนเงินนั้นไปในทางที่เหมาะสมที่มันจะเกิดดอกออกผลเช่นได้เงินจากการทํำกติกรรม ทำนาทำสวนทำไรอะไรมาเป็นก้โตขึ้นมาแล้วก็ลงทุนทำการค้าขายต่อไปก็ได้กำไรงดงามขึ้นมาบบบนี้ความเจริญในโพคารัพย์มันก็ปรากฏขึ้นมาโดยลำดับเพราะว่าได้ตัดทอนในเรื่องที่ใช้จ่ายพุ่มพวยออกไปแล้วดันกล่าวมานั่นแหละ โ ด, โดยประหยัดและระมัดระวังใช้จ่ายแต่ในสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตเท่านั้นอย่างนี้นะนั่นแหละเงินที่ประหยัดที่สะสมไว้ทีละเล็กทีละน้อยนั่นแหละมันเกิดเป็นก้อนใหญ่ขึ้นจนได้ลงทุนค้าทุนขายนั่งอยู่ในล่มเงาขายของนับเอาแต่เงินอยู่ทั้งวันอย่างนี้นะ นี่จะไม่ให้ผลที่เป็นลูกปธรรมยังไงนะ่ะในการปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้านะแต่คนต้องมองไม่เห็นเฉยๆคนคนไม่คิดเรื่องมันนะ่ะไอ้บุคคลผู้ที่ล่วงพุทธบรญญตัติเห่านั้นนะ่ะก็ไม่เห็นว่ามันร่ารวยอะไรนั่นเองบางคนก็ติดบุหรี่งอมแงมอสูบบุหรีวันละสองวันละสองสองสามสองเข้าไป ตั้งแต่ค่าบุหรี่นั้นก็เป็นเงินเกือบเป็นร้อยร้อยไปแล้วทุกวันเนี่ยอะไรก็แพงอเนี่ยเนี่ยแถมทั้งสูบทั้งบุหรี่พอทั้งไปดื่มเหล้าด้วยอทีนี้แล้วเงินที่หามาได้วันละร้อยบาทที่ไหนแล้วมันจะเหลือไปซื้ออาหารมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงผัวมันจะเหลื อ, อยังไงได้นนเนี่ยลอง ด, ดีดูคิดดูก็ได้อ ทีนี้ถ้าว่าเว้นจากของเสพติดได้โทษเว้นจากการพนันขันต่อต่างๆนั้นได้แล้วเงินทองนี่หามาได้จากการทำนาทำสวนทำการค้าการขายอะไรอย่างนี้มันก็เหลือไปทีละน้อยน้อยนานเข้ามก็ไปค้อนใหญ่ขึ้นนี่แหละชี้ให้เห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งสองพระเจ้ามันมีผลเป็นโลกธรรมปรากฏในปัจจุบันนี้ เป็นอย่างนี้แหละขอให้พากันเข้าใจบางคนมันมีความโลภอยู่ในใจมากทาบุญทําทา น, ทานการกุศลอะไรอยากทำการค้าก็อยากให้ได้กำไรสองสามเท่าตัวนู่นออให้มันรวยไปไกลทานาทําสวนก็ขออยาให้มีอะไรมาทําอันตรายพืชพันธัญยาหอนขอให้พ้าผลดีขอให้ พืดพันต่างๆงอกงามผลิ ด, ดอกออกผลได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทําให้เป็นไปตามนั้นแล้วก็ถือว่าการทำบุญกุศลไม่มีผลอย่างนี้นว่าเข้าใจผิดไปนี่เรื่องมั น, นก็มีอยู่มีผลนะทาไมไม่มีแต่ว่าไอ้ตัวบุญน้อยเมื่อตัวบุญน้อยแล้วอย่างนี้นะ ทำอะไรลงไปจะให้มันได้ผลมากมากนะนี่มันจะได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้เมื่อตอนมีบุญกุศลทอนหลังที่ได้ทำมาน้อยบุญกุศลทนหลังมัหนุนส่งมันก็มีมันก็รวยแต่น้อยรวยไม่มากอย่าไปเข้าใจว่าคนเรานะ่ะหาทรัพย์สินเงินทองก็ของในโลกนี่นะออาศัยลําแข้งอาศัยสติปัญญา ในปัจจุบันนี้อย่างเดียวเท่านั้นไม่ได้อาศัยบุญคุณอะไรหนหลังที่ตนตนที่ตนได้ทามาไอ้ผู้ใดเข้าใจอย่างนั้นเป็นการลบหลู่ดูหมินความดีที่ตนทามาแต่ก่อนอลบหลู่คุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ลบหลู่คุณทานคุณศีลไปยิ่งตกหนักไปเรื่อยไปเป็นอย่างนี้ เพราะว่ามันมีสักขีพย า, ยานให้เห็นได้ชัดเจนอยู่แล้วไปยกคนอื่นมาเปรียบเทียบให้ลำบากอะไรยกเอาพระพุทธเจ้านะนะั้นมาเปรียบเทียบลองดูแต่อลองคิดดูสิพระองค์จะได้เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เพราะว่าพระองค์สร้างบา ร, รมีมาทุกชาติทุกชาติทำความดีมาทุกชาติมา แล้วก็ทําให้บุญบา ร, รมีของพระองค์นั้นมากขึ้นมากขึ้นโดยลําดับอย่างนี้นะจนว่าบา ร, รมีนั้นเต็มบริบูรณละพระองค์ก็ถึงได้ออกบวชได้ตัดสัตว์เป็นพระพุเธเจ้าอืมถ้าหากว่าพราะองค์ไปทําความชั่วมากกว่าทําความดีออย่างนี้แล้วพระองค์จะไม่ได้ตัดสรู้เป็นผู้เจ้าเลยทุกพระองค์แหละได้ทําความดีนะั้นมากกว่าความชั่ว ตั้งหลายเท่าตัวทีเดียวเว้ยเป็นอย่างนี้เหตุเท่านั้นนะ่ะพระบารมีของพระโพ ธ, ธิสัตว์เจ้าทั้งหลายมันถึงจะเต็มได้ให้เข้าใจแม้่ผู้เป็นสาวกสร้างบารมีตามพระพุทธเจ้าตามพระโพธิสัตว์ก็เหมือนกันถ้ามัวอมอจะประมาทไปทำ ความชั่วทําตัวเป็นนักเลงเจ้าชู้เป็นนักเลงทุราเป็นนักเลงเล่นการบันนันไปเทีย่ยวคบหากับคนชั่วเป็นมิตรอยู่เรื่อยไปอย่างนี้นะการทําความดีมันก็น้อยลงแลใจมันไปฝักไปไ ป, ไ ป, ไปในทางชั่วเสียจมากเขามากแต่มันเห็นว่าเป็นความดีการทําตัวเป็นนักเลงอย่างว่านี่นะมันจึงได้ทํากันนั่นแหละแต่ในทัศนะ์าทางพุทธศาสนาแล้ว พระองค์เจ้าทรงตรัสว่าเป็นทางความเตือมจากความสุขความเจริญในชีวิตปัจจุบันนี่แหละไม่ถึงกับว่าจะต้องได้ไปเสวยผลเอานี้ตั้งแต่ชาติหน้าหรือโลกหน้าพุนอย่างเดียวไม่ใช่คนระับเห็นผลในปัจจุบันนี้เลยเห็นนั้นท่านจึงเรียกว่าอาบายามุกแลว่าเหตุแห่งความชิดผ á ในปัจจุบันนีเ้เพราะฉะนั้น คนที่ไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดทีท่วนมันจึงมองไม่เห็นผลแห่งบุญกุศลที่ตนทำแล้วมันให้ผลในปัจจุบันนี้มันมองไม่เห็นมันอยากเห็นว่าเป็นอย่างว่าให้ทานเงินอย่างนี้นะให้เงินนั่นหลั่งไหลมาเทมาเหมือนกับน้ามันนองมานี่จึงอยากเชื่อมั่นว่า ทำทานผลของทานนั่นอํานวยให้จริงๆอํานวยผลให้จริงๆอย่างนี้นะโอ้นี่มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ เ, ไไดเพราะเหตุใดก็เพราะเหตุว่าบุญเก่ามันยังให้ผลอยู่บุญเก่าที่ตนทํามาแต่ชาติก่อนนน้นไอ้คนเราที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี่นะ่ะอาศัยผลบุญของเก่านะ อาศัยผลบุญของเก่าที่ได้ทํามาแต่ก่อนมันมาอํานวยผลให้เช่นมีสติมีปัญญาน้อยมันก็หาเงินหนาทองได้ตามน้อยอย่างนี้นะมีสติมีปัญญามากก็หาเงินหนาทองก็ของได้เป็นจํานวนมากเนี่ยอันนี้แหละเรียกว่าผลบุญแต่ก่อนนะมันมันติดสอยห้่อยตามมา มาเกิดมาในชาตินี้ทำให้ผู้นั้นมีสติมีปัญญาการศึกษาเราเรียนอะไรก็จำได้แม่นยำอะไรหมู่นี้นะแล้วก็เป็นคนช่างคิดสร่างพินิษฐ์พิจารณาเมื่อตาได้เห็นอะไรหูได้ยินอะไรก็ดีเอามาคิดมากรองค้นหาความจริงในเรื่องนั้นๆธรรมดาคนมมีบุญได้อบรมฝึกฝนตนมาแต่ชาติก่อนแล้ว ขนแห่งบุญนั่นมันก็ตามมาอย่า ง, างว่าเลยนยไอ้เป็นคนช่างคิดไอ้ผู้ที่ออกบวชเป็นภิกษุสามเณรเป็นชีเป็นขาวอะไรหมนี่ได้มันก็เพราะอาศัยบุญแต่ก่อนนะ่ะมากระตุ้นใจให้คิดให้นึกมาในทางบวชเรียนในพระพุทธศาสนานี่ให้บุญกุศลนนหลังมากระตุ้นให้เกิดศรัทธาขึ้น เมื่อได้เห็นเพศบันบชิกเข้าไปเรารู้สึกคออกคอใจโดยพิจารณาเห็นว่าเพศอย่างนี้นะ่ะดูมันจะมีความสุขมากกว่าเพศคฤหัสถ้าผูใ้ใดมีความรู้สึกนึกคิดขึ้นในใจอย่างนี้ น, ะนั่นแหละมุนเก่าที่ทํามาแต่ก่อนนะ่ะมันมากระตุ้นเอือหรือว่าแต่ก่อนตนก็ยินดีในการเห็นคนอื่นเป็นนักบวชประพฤติพรหมจรรย์ก็ อย่างว่าได้ทราบว่าใครออกบวชที่นี้นะก็ได้มีสิ่งของอะไรมีเงินทองไปกับไปโมทนากองบวชกับเพื่อนเพราะว่าการบวชนี่เป็นความดีเป็นทางแห่งความบริสุทธิ์กดจตดดิเป็นทางพ้นทุกข์ได้เร็วผู้มีปัญญาได้รู้อย่างนี้นะีะจึงได้ไป บ, บ, บริจาคสมทอบในการบวชการเรียนนั้น เช่นี้นะขนอันนั้นะนะมันติดตามมาเมื่อเกิดมาชาตินี้นะบางทีก็อาจได้ออกบวชะไรอันนี้สงที่ยินดีอนุโมทนาบุญกุศลกับบุคคลผู้มีศรัทธาออกบวชมานในชาติก่อนนะนะั้นเนี่อมันเป็นอย่างนั้นถ้าผู้ใดไม่เริ่มใสในการบวชการเรียนเห็นใครบวชก็เมือนเฉยไม่แม้แต่ยกมือไหวก็ไม่ไหว เพราะไม่เชื่อว่าการบวชนี่จะเป็นทางพ้นทุกข์จะมีความสุขกเกษมสารภายในจิตใจผู้นั้นไม่เชื่ออะไรเฉยเมยไปอย่างนี้น ะ, ะเพราะเกิดมาในชาตินี้ถึงแม่มาพบพระพุทธศาสนามันก็ไม่เลื่อมใสถึงว่าเลื่อมใสก็นับถือไปตามโอเคนีเดือนทีปีหนทําบุญครั้งหนึ่งเดือนทีปีหนเข้าวัดสักครั้งหนึ่งถ้าไม่เข้าก็ กลัวเพื่อนบ้านจะติชิ้นนินทาเอาเออย่างงี้นะผู้เช่นนั้นอ่ะมันก็ยังห่างไกลต่อสวรครค์ห่างไกลต่อพระนิพพานมากเพราะว่าเมื่อเมื่อไม่ฝักไปในทางบุญทางกุศลไม่เข้าใกล้พระพุทธระธรรมประสงค์อย่างว่านี้แล้วอ่จิตใจมันก็ยอ่อมโน้มไปทางกิเล ส, สกามวัฏถท ก, กามนั้นมากต่อมากเลยประเดียว เรียกว่ายินดีพอใจในกรารมคุณทั้งห้ า, ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอย่างจับอกจับใจจริงๆนะนะเมื่อเมื่อบุคคลผู้ไม่มีใจน้อมมาทางบุญกุศลแล้วนะมันก็ไปอย่างนั้นแหละผู้เทนานานานพ้นทุกแล้วเมื่อสะสมกิเลสตัณหาให้มากเข้าไมันยิ่งทําชั่วมากเข้าไปเท่านั้น กรรม่วมกน่นวงเนียวให้เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกสงสารอันนี้จะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะไปพระนิพพานก็ไม่ได้แล้วแต่ต่อเมื่อใดได้พบนักป่าหรือได้พบพระพุทธเจ้าเข้าแล้วพระองค์เจ้าทรมานเอากออย่างที่พระองค์เจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวเริงมาสู่เชิงเขาเมืองสังกสารนคร พระองค์ทรงเมตตาต่อสัตว์นรกบายภูมิทั้งหลายเหล่านั้นจึงทร ง, ง, ทรงแสดงโลกกวีวร์เปิดนรกให้สัตว์นรกได้เห็นสวรรค์หรือเรียกว่าเปิดสวรรค์ให้สัตว์นรกได้มองเห็นหมู่เทวดาว่ามีความสุขอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรแล้วเปิดนรก ให้สะะัตว์นรกได้เห็นวังเห็นหมู่มนุษย์ก็มีความสุขกลัวตนที่ตกอยู่นรกอย่างไรนี่พระองค์ก็เปิดให้เห็นอย่างนี้สะะัตว์นรกเมื่อได้เห็นอย่างนั้นแล้วก็ปรับทุกข์ต่อกันว่าโ อ, โอ้พวกเรานี่ยตั้งแต่เป็นมนุษย์อยู่เราก็ประมาทไม่ทําตามพุทธโอวาทศาสนาไม่รักษาศีลห้าให้บริสุทธ มีแต่ไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นแล้วกรรมชั่วเหล่านั้นก็ น, นำพวกเรามาสู่นรกอวา ย, ยภูมินี้ได้รับทุกข์ทนทรมานอยู่อย่างนี้หนอวันนี้เมื่อเราพ้นจากนารกที่ไปเกิดเป็นคนแล้วจะรักษาสินห้ากรรมวบทิ0ให้บริสุทธิ์ต่อไปเมื่อสัตว์นรกคิดได้อย่างนี้อธิษฐานใจมั่นไว้อย่างนี้ มันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยอันหนึ่งของเขาแล้ววันนี้นะเมื่อเขาพ้นจากนรกมาเป็นมาเกิดเป็นมนุษย์เกิด น, นมาพบพุทธศาสนาเขา้าอก็เลยเกิดความยินดีในพุทธศาสนาขึ้นเห็นเขาไปทำบุญทาทานก็ตนเองก็พอใจแล้ววันนี้จัดแจงตกแต่งทยทานไปกับเพื่อนเขา้าทําไปทํามาอินทร์มันก็แก่กล้าขึ้นนี่แหละ ไอ้คนคนหนึ่งถ้ามัวมอประมาทมากๆนานพ้นทุกนานไปสวรรค์นานบรรลุถึงพระนิพพานก็ไปตกนรกทนทุกอยู่นั้นนานแสนนานสักเท่าใดอ่ะเนี่ยกลัวจะได้เกิดมาเป็นคนกลัวจะมีศรัทธาเลื่อมใสหรือเชื่อมั่นในบุญในบาปได้น่ะมันนานแสนนานอ่เป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้น เมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้พากันเอาไปคิดไปก่องถ้าเห็นตามนี้แล้วก็ขอได้พากันประพฤติปฏิบัติตามถ้าใครไม่เห็นตามแล้วก็แล้วไปเพราะว่าพุทธศาสนาไม่มีการบังคับกันเลยสุดแล้วแต่ว่าใครจะมีศรัทธาเมื่อที่แจงเหตุผลต่างๆให้ฟังแล้วเห็นตามก็ทำตามกันไปไม่เห็นตามก็แล้วไป ออย่างนี้แหละมะติในทางพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นมันจึงชื่อว่าได้เป็นาศาสนาอันสาโกลไปเลยเป็นาศาสนาเสรีภาพใครจะนับถือ ก, ก็ได้ไม่เลือกชาติชั้นวรรณะจะเป็นชาติใดเชื่อใดก็ตามเมื่อมีศรัทธาเริ่อมใสปฏิบัติตามคำสอนของอุตตเจ้าแล้วก็พ้นทุกคนภัยไปได้เหมือนกันทั้งนั้นเลย ดังนั้นขอให้พากันทบทวนดูชีวิตของเราแต่ละคนที่เราเกิดมาในโลกนี้แล้วได้มาพบพระพุทธศาสนาด้วยและมีอายุร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์และจิตใจก็ดีบาหนี้อยอย่างนี้แล้วเราได้มาเรื่อมใสในพุทธศาสนาเช่นนี้แล้วแล้วจะไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามคาสอนของเจ้า ให้เก้าหน้าเรื่อยไปให้เจริญด้วยกุศลคุณธรรมอันสูงยิ่งขึ้นไปไม่สมควรเลยอืเพราะเรามีบุญกุศลหนหลังหนุนส่งอยู่แล้วงแต่ว่าเมื่อบุคคลมามัวเมาประมาทไปเสียอย่างนี้นะอันบุญกุศลผลหลังก็ช่วยไม่ได้อันบุคคลผู้ประมาทเนะเป็นอย่างงั้นบุญกุศลผลหลังก็ช่วยได้แต่บุคคลผู้ไม่ประมาท เมื่อตนได้ศรัทธาเลื่อมใสล้วก็รักษาศรัทธ า, า, าอ น, นันไว้ให้มั่นคงอย่าให้ใจมันเฉื่อจังจากกุศลคุณงามความดีต่างๆเนีย่ยใจดวงเดียวเท่านี้ให้พากันรักษาเอามีสติมาคระคองเอาอย่าให้ความโลภมาครอบงำอย่าให้ความโกรธมาครอบงำอย่าให้ความหลงมาครอบงำเมืม่อเรามีสติ ก็ข้าประ ค, ระครองกีิเลสตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอันนี้เสมอเสมอไปได้อย่างนี้กิเลสเหล่านั้นก็ครอบงํามไม่ได้แต่ถ้าเผลอสตีแล้วปล่อยปะละเลยบุญคุณอันนี้เสียแล้วก็แน่นอนเนะี่ยมันก็เปิดช่องให้กิเลสโผ่ขึ้นมาครอบงําได้เลยมันเป็นอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันพิจารณาดู ถ้าบุคคลใดรู้จักลักษณะอาการของกิเลสในใจของตัวเองว่ามันทำให้ตนเดือดร้อนได้จริงๆอย่างนี้แล้วก็นั่นแหละแล้วมันจะตื่นตัวได้ถ้าผู้ใดพิจนาไม่ไม่เห็นกิเลส อ, อยู่ในหัวใจของตนเองว่ามันมีพิษมีภัยต่อตัวอย่างไรมองไม่เห็นเลยอย่างนี้ผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะทำความดีให้สูงขึ้นไปได้เลย มัอเปรียงงั น, ง น, นเพราะการทําความดีทั้งหลายก็เพื่อลบล้างความชั่วพูดกันสั้นๆนะนั่นแหละความชั่วหมายเอากิเลสทั้งฝ่ายที่เป็นบาปอากุศลออย่างนี้แหละการทําความดีมันก็เป็นกิเลสอยู่นั่นแหละแต่ว่ากิเลสฝ่ายดีฝ่ายกุศล น, นี่เมื่อเราทําความดีให้สูงขึ้นไปสูงขึ้นไปไอ้ความชั่วมันก็ตามไม่ทันมันเปรียงงัน มันก็เบาไปเบาไปเพราะว่าใจเราไม่ชอบมันนี่เช่นอย่างบุคคลไม่ชอบกับความโกรธอย่างนี้นะเอาเราจเจริญเมตตาให้มั่งมากขึ้นไปเรื่อยๆไปละไม่เราไม่ส่งเสริมความโกรธอะไรจะมายัวย่วยัว่วให้โกรธก็ไม่โกรธมันถึงจะมันจะมีมันจะเกิดขึ้นก็ให้ม่เกิดขึ้นอยู่แต่ใน ใ, นใจเบอๆมองบา ง, บางไว้แล้วก็กําหนดละมันไปเสียอย่างนี้นะ อันเช่นนี้แล้วไอ้ความโกรธมันก็ต้องเบาลงเบาลงจากจิตใจไปเรื่อยๆแหละอืมไอ้ความไม่โกรธความเป็นผู้มีเมตตากรุณาธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นในใจแล้วตั้งอยู่ในใจแล้วใจเราก็เย็นสบายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเลยแม้จะมีเรื่องไม่ดีกระทุกระท่งมามันก็ไม่หวั่นไหวแล้ววะนี้เมื่อมันสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้ ม, มากๆขึ้น ใ, นในใจแล้วอเป็นอย่างนั้นแถม ถ้าใจตั้งมั่นในบุญในคุณอย่างว่นนั้นแล้วก็หัดฝึกอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นให้มันเห็นความเกิดความดับแผงสรรพะสิ่งทั้งพวงทั้งดีทั้งชั่วอะไรก็มีการเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปสิ่งใดมีเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็มีดับสิ่งใดที่ไม่มีเกิดนั่นแหละจึงไม่มีดับใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นลงไปอย่างนี้นะ่ะ มันก็ยิ่งจิตก็ยิ่งสูงขึ้นโดยลำดับเลยแบบนี้นะยิ่งละความโกรธได้หลายเพราะมันเห็นตั้งแต่สิ่งที่มีเกิดมีดับอยู่ทั้งคนทั้งสัตว์ทั้งดินพา้าอากาศอะไรต่ออะไรมองดูด้วยปัญญาแล้วมีแต่เกิดกับดับลูกเดีย ว, ว อ, อันในระหว่างที่มันยังไม่ดับนี่มันก็แปลสภาพไปเรื่อยๆไปหาความดับนั่นแหละอย่างงี้นะ เมื ango, e humans, along, like ่อเจริญอบรมปัญญาเกิดขึ้นจิตใจมันเฉลียวฉลาดรู้ความจริงของชีวิตอย่างว่านี่มันก็ยิ่งละกิเลสไปได้มากไปเรื่อยๆทำกิเลสให้บาบางไปโดยลำดับก็ได้รับผลจากการปฏิบัติตามศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเต็มความสามารถของตนของตนดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้